อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้งลมหายใจของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องประนมมือวังไปด้วยน้อมทำเนียกไปด้วยหลงสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยว ความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบไหล่หมวกของเราก็จะชัดเจนความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆที่เกิดจากใจเกิดจากอ า, าการของใจก็จะสงบระงับตั้งมั่นขึ้นตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ได้ลุกจากที่พวกเราได้สร้างสติกันแล้วหรือยังได้เจริญให้มีให้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง ไม่ใช่ว่าปล่อยผัดวันประกันพรุ่งเราต้องสร้างความรู้ตัวหรือว่าสติปัญญาตัวใหม่ลงที่กายของเราลงที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกให้ต่อเนื่องจึงเรียกว่าสัมปะชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายแล้วก็รู้ใจอบหลมใจของเราเจริญปัญญาไปอบหลมใจของเรา จนใจของเราคลายออกจากความคิดจากขันห้าภาษาธรรมท่านเรียกว่าแยกรูปแยกนามใจง่ายเหมือนกับง่ายคงที่ความใจก็ว่างกายก็เบาถ้าใจยังแยกไม่ได้ใ จ, ใจก็หลงใจก็หลงความเกิดความเกิดนี่เป็นความหลงอันละเอียด ใจนี่หลงเกิดมาตั้งแต่ยังไม่ได้อยู่ในภพของมนุษย์แล้วก็หลงวนเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่อันนั้นเราอย่าไปสนใจเราสนใจขณะที่กําลังอยู่ในภพของมนุษย์นี่แหละให้เจริญสติลงที่กายของเราจนรู้เท่าทันการเกิดคงใจรู้ไม่ทันการเกิดเราก็ใช้สมถะเข้าไปดับสมถะคืออยู่กับสิ่งใด้สิ่งหนึ่ง ด, ดับหยุดปืน แล้วก็ปรับสภาพใจของเราให้มีความอ่อนน้อมอ่อนโยนมีความเมตตามีความเชื่สละมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกเรื่องทุกเรื่องจึงจะตื่นขึ้นมาสำรวจดูใจของเรามีความเชร่อสละหรือไม่ใจของเรามีความเห็นแก่ตัวหรือว่ามีความตนหนีเน่วแน่นเราพยายามขัดเกา่าเอาออกอบรมใจของเรา ใจของเราก็จะเบาบางจากกิเลสไปเรื่อยๆกิเลสก็มีหลายอย่างกิเลสเเความตั ว, ต ว, ต ว, ต ว, ตวโตความโลภความทะเยอทยานอยากความโกรธนั่นนะอนที่มันึงจะเกิดแต่ความคิดที่เกิดเกิดดับดับทั้งฝ่ายอันนี้ฝ่ายรูปธรรมอันนี้ฝ่ายนามธรรมฝ่ายนามธรรมก็คือความคิดของเรานั่นแหล ะ, ะซึ่งเป็นส่วนของนามธรรมา เราพยายามหัดเจริญสติลงที่กายของเราให้โตเนื่องให้เข้มแข็งแล้วก็ออกไปอบรมใจรู้ไม่หันต้นเหตุเราก็ใช้สมถะเข้าไปดับปรับปรุงใจของเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมากายทําหน้าที่อย่างไรตาทําหน้าที่ดูหูทําหน้าที่ฟังใจมีหน้าที่รับรู้ตัวไหนเป็นตัวสั่งการสั่งงานเราหัดสังเกตหัดวิเคราะห์หัดสํารวจอยู่ตลอด ทำความเข้าใจอยู่ตลอดจนใจของเรานี้คลายออกจากความยึดมั่นถือมัน่นคลายออกจากขันห้าขันห้ า, หาส่วนนามมาทำจนรูปก็ร่างกายของเรานี้ก็มีอยู่เหมือนเดิมรูปกายของเราทำหน้าที่อย่างไรตาทำหน้าที่ดูเราก็ห้ามไม่ได้หูทำหน้าที่ฟังเราก็ห้ามไม่ได้เราต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ถูกต้องส่วนกิเลสเกิดขึ้นที่ใจเราก็รู้จักดับ เจริญสติเข้าไปอบรมอยู่บ่อยๆจนเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลจนหมดความกังวลต่างๆออกจากใจของเรากิเลสก็ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งมลทินทั้งนิวรณ์ทต่างๆมีเยอะมีเยอะถ้าเราเจริญสติเข้าไปให้เข้มแข็งให้โตเนื่องเราก็ยิ่งจะเห็นยอะ เห็นเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งทำความเข้าใจทาความเข้าใจจนเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลจนใจมองเห็นความเป็นจริงได้นั่นแหละการเกิดก็เป็นทุกเขาก็จะไม่เกิดการเขาเ้าไปหลงขันห้าว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระเขาก็ไม่เอา การเป็นธาตุของกิเลสนี่เขาก็ไม่เอาอะไรมาฉุดมาลังเขาให้เกิดเขาก็ไม่เกิดถ้าเขารู้ตามความเป็นจริงแต่ส่วนมากแม้แต่เพียงสติก็ยังไม่ค่อยจะเจริญให้ต่อเนื่องกันอาจจะทําได้เป็นบางครั้งบางคราวก็ท้อนกระแท่นส่วนมากก็มีตั้งแต่ปัญญาที่เกิดจากใจเกิดจากคันห <m uch os> ักเกิดจากส่วนสมองที่รวมกันไปเขาเรียกวปัญญาโลกปัญญาโลกี เราจงมาเจริญสติพิกปัญญาโลกให้เป็นปัญญาธรรมที่เหตุที่ผลเห็นเหตุเห็ น, หนผลรู้ลลไม่ทันเราก็รู้จากหยุดรู้รจากควบคุมบารมีส่วนอื่นนั่นทุกคนสร้างกันมาดีการทําบุญบ้างการให้ทานบ้างความเฉสละสิ่งต่างๆผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการศึกษาผ่านการโรเรียนใช้ปัญญาทางโลกอันนี้ก็ผ่านกันมาหมดเราจงมาพิกปัญญาโลกให้เป็นปัญญาธรรม พิกปัญญาโลกให้เป็นปัญญาธรรมได้อย่างรอยเราก็คือจนการเจริญสติของเรานี่แหล ะ, จะเจริญสติให้ต่ตเนื่องคำว่าปัจจุบันธรรมให้รู้ตัวอยู่ปัจจุบันจนเป็นอัตโนมัติรู้ลมหายใจเขาออกรู้ใจรู้ทุกอย่างนั่นแหละรู้ทุกอย่างในกายของเราจนกระทั่งถึงรู้ใจของเรา ใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่มีความกังวลไม่มีความพุ่งส่านเป็นอย่างนี้เราก็จะได้มองเห็นแนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบออกมาเปิดเผยให้สัตว์โลกได้เดินตามสัตว์โลกก็คือพวกเรานี่แหละให้เดินตามทำความเข้าใจช่วงใหม่ๆท่านอย่าให้เอาความคิดแบบบกบกมาตัดสินมาโต้แย้งให้ดาเนินตามทางที่ท่านบอกกวนก่อน จนใจของเราคลายออกจากขันห้าทำความเข้าใจได้ใช้ตัวเองเป็นท่านถึงบอกให้เชื่อก็ต้องพยายามกันถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่เข้าใจถ้าถึงเวลาและเอาอะไรมาปิดมากันเอาไว้ก็ไม่อู่ถ้าบุญอ น, นิสงบุญบา ร, รมีของเรามีความเข้มแข็งต่อเนื่องขึ้นบุญสมมติเราก็ทา ภาษาธรรมภาษาโลกเราก็ต้องศึกษาสักแต่ ว, ว่าดูสักแต่ ว, ว่ารู้สักแต่ ว, ว่าฟังเป็นลักษณะอย่างไรทุกริยาหมดยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเราต้องดูรู้ใจปรับสภาพใจของเราให้เป็นหาดรู้สติปัญญาของเราก็จะเป็นผู้รู้เขาซ้อนกันอยู่ในกายของเรานี่เลยถ้าเราหัดสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นแต่ส่วนมากก็มีตั้งแใจ ใจสรงออกไปใจรวมกับความคิดกับขันห้าทรงออกไปทึ้งเป็นส่วนนามารมก็รู้รู้อยู่คิดก็รู้ทําก็รู้แต่เขาหลงอยู่ในความคิดหลงอยู่ในการกระทํานั้นๆท่านถึงให้มาเจริญสติเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์จนใจคลายออกจากความคิดคลายออกจากขันห้างายของที่ความขึ้นมาตามดูเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลทุกอย่าง ลมรลลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่มันสร้างอานิสงส์มันสร้างบุญบา ร, รมีเป็นข้าวกข้าห่อติ่ตามตัวเราไปตาบใดที่ใจยังเกิดอยู่จนกระทั่งถึงเวลาใจไม่เกิดมองเห็นหนทางเดินคือริพานนั่นแหละไม่ต้องกลับมาเกิดกันก็ต้องพยายามนะจิตแต่ละดวงก็ปรารถนาหาทางดับทุกข์หาทางลดพ้นแต่จะหาถูกที่ถูกทางหรือไม่ บางคนก็แล้วแต่วิบะทะ่านว่าวิบากของกรรมเราต้องทําความเข้าใจกายของเรานี้แหละก้อนกรรมมีอะไรบ้างที่ท่านบอกว่าเป็นกองเป็นขันมีวิญญาณเข้ามาครอบครองวิญญาณในกายของเราเป็นลักษณะอย่างไรวิญญาณหรือว่าตัวใจที่ปราศจากการเกิดปรารถากกิเลสเป็นอย่างไรหรือว่ามีตั้งแต่กิเลสเข้าไปห่อหุ้มเอาไว้มีตั้งแต่เรื่องสารพัดเรื่องไปห่อหุ้มเอาไว้ก็เลยปิดกั้นตัวเองเอาไว้หมดแมแ้แต่การเกิดของใจนั่นแหละ คือความหลงอารมณ์ลึกถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์มาสร้างขันหา้าปิดขันตัวเองแล้วก็มายึดต่อแล้วก็เกิดต่อความคิดของเราแต่ละวันแต่ะละวันนั่นแหละตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเขาคิดทักกี่เรื่อง ไปทักกี่ครั้งเหตุการณ์ภายนอกทําให้เกิดหรือเกิดขึ้นจากภายในเราก็พยายามเจริญสติเข้าไปอบรมชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลท่านถึงบอกให้เชื่ออะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดําเนินต้องเข้าใจในชีวิตของตัวเราว่าเราเกิดมาแล้วจะไปอย่างไรอยู่อย่างไรทําอย่างไรถึงจะมีความสุขขณะที่เรายังมีลมหายใจเราจะทําอย่างไรสมมุติของเราถึงจะมีความสุขวิมุติของเราถึง จะมีความสุขเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็อิงอาศัยกันอยู่เหมือนกับการที่จะขึ้นถึงตัูเรือนเราก็ต้องอาศัยบันไดาอาศัยราวบันไดตั้งแต่ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ฐานศีล ส, สมาธิแล้วก็ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเราต้องรู้ขณะทุกลมหายใจเข้าออกนี่แหละจะเป็นอัตโนมัติ รู้หนทางเดินรู้แนวทางเดินนั้นจะตื่นขึ้นมากรีบดูใจรู้ไม่ทันก็รู้จักดับเจริญสติลงที่กายของเราจนเอาไปใช้การใช้งานได้หัดวิเคราะห์หัดสังเกตยอยู่บ่อยๆทำความเข้าใจอยู่บ่อยๆ ถ้าใจคลายจากขันห้5หรือว่าแยกรูปแยกนามได้เราก็จะเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องชีวิตชีวิตของคนเรานี่ประกอบขึ้นมาด้วยอะไรคำว่าขันห้าที่ว่าเป็นกองเว็นขันกองรูปกองนามกองวิญญาณเป็นอย่างไรเราตรงรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยอบรมใจของเราให้ได้ด้วย คนที่จะขึ้นสู่ที่สูงได้ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศความเพียรในการขัดเกากิเลสความเพียรในการสำรวจสํารวมทําความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาตาทําหน้าที่อย่างนี้ใจทําหน้าที่อย่างนี้ ภาษาธรรมเป็นอย่างไรภาษาโลกเป็นอย่างไรกิเลสตัวใหญ่ๆเป็นอย่างไรแต่ส่วนมากจะไปมองเห็นแต่ตัวใหญ่ๆความเกิดเกิดดับดับความเกิดของความคิดความเกิดของตัวใจนั่นแหละไม่ค่อยจ ะ, ะสังเกตปีกเขาะห์กิเลสตัวละเอียดนั่นแหละที่มาปิดกัน้นความสะอาดความบริสุทธิ์เอาไว้ความกังวลบ้างความผุ้งชั่นบ้างนิวรณ์ธรรมต่างๆบ้างมีมนทินบ้างมองเห็นคนอื่นดีกว่าเราหรือมองเห็นคนอื่นต่ํากว่าเรายกตัวเองสูงมองเห็นคน อื่นตามอาคติเพ่งโทษสารพัดอย่างที่มีกัน ถ้าเรามาวิเคราะห์สัมรวจทำความเข้าใจอยู่เบ่อๆจะเห็นถ้าเห็นแล้วถ้าเราขาดการตามทำความเข้าใจเขาก็ซึมเข้าสู่สภาพเดิมถ้าเราทำความเข้าใจเบ่อๆจนกำลังสติเป็นมหาสติจากมหาสติกายเป็นมหาปัญญาจากมหาปัญญากลายเป็นปัญญารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในดงวิญญาณของเราจะเข้าสู่วิปัสนาญาณวิปัสนาภูมิท่านว่ารู้แจ้งรู้แจ้งหรือเห็นจริงรู้แจ้งอะไร ก็รู้แจ้งความผิดของเหล่านี้แหละตัวใจที่ปราศจากกิเลสเป็นงี้ใจที่เกิดเป็นงี้ขันห้าที่ผลดขึ้นมาพุงแต่งเป็นเรื่องอะไรบ้างเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเป็นกลางๆหรือว่าเป็นอกุศลการได้ยินการได้ฟังการได้อ่านทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมแต่การลงมือทำให้่อเนื่อง ตรงนี้แหละต้องพยายามทำให้รู้ให้เห็นเนื่องจากตื่นขึ้นมาตั้งจากตื่นลุกขึ้นมาแล้วสติรู้ใจรู้กายของเราตัวในเป็นตัวสั่งสั่งพากายไปโน่นพากายทําน่ทนทานี่แต่ส่วนมากก็เป็นปัญญาที่เกิดจากใจซึ่งเป็ น, ป, นปัญญาโลกีมันก็อาจจะถูกต้องอยู่ระดับของสมมตุติแต่ในหลักธรรมแล้วใจยังเกิดความเกิดนั่นแหละคือความหลงถ้าไม่หลงก็ไม่เกิด หลงมากลงน้อยแล้วก็มาขัดเกลาทีนี้เราแยกแยะได้ทำความเข้าใจได้จะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องปัญญาอยู่ด้วยปัญญาลุน่น้วนไปไหนมาไหนก็ให้ใจรับรู้อยู่ด้วยปัญญาลุน่น้วนการฝึกฝนตนเราล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ใจของเราฝึกได้ ใจของคนเรานี่ถ้าน้อมเข้ามาในหลักธรรมจริงๆรู้เห็นตามสภาพจริ ง, รงๆเขาก็ยอมรับความปจริงได้ขณะที่เขายังแยกรูปแยกนามไม่ได้เขาก็จะหาเรื่องปิดกั้นตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือความเกิดหาเหตุหาผลมาปิดกั้นตัวเองทั้งขันหก็หาเหตุหาผลมาปิดกั้นตัวเองแม้กระทั่งเรว่าใจหลอกใจหรือว่าจิตหลอกจิตเราต้องพยาพยามพยายามแม้แต่สติปัญญานเนยังหลอกตัวเอง เข้าข้างตัวเองกายของเราชอบอย่างนูน้นกายของเราชอบอย่างนี้สลรพัดอย่าให้ใจของเราคายออกจากขันห้าให้ได้เช่นก่อนเอาความเป็นกลางความว่างเป็นเครื่องตัดสินไม่เข้าข้างตัวเองเข้าข้างคนอื่นยื่นท่ารู้ด้วยเห็นด้วยทําความเข้าใจได้ด้วยหมดความสงสัยหมดความดังเลได้ด้วยนั่นแหละท่านถึงบอกให้เชื่อก็ต้องพยายามกาันทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแต่มีเหตุมีผลพระพุทธองค์ท่านชี้ลงที่ต้นเหตุให้เห็นเหตุ เหตุการณ์เกิดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดขณะนี้เขาเกิดมาสร้างพบมนุษย์มาสร้างขันหา้าปิดกั้นตัวเองตัวใจก็ยังเกิดต่อแล้วกลับมาอาศัยอยู่ในกายนี้อยู่เราต้องพยายามจําแนกแจกแจงให้เห็นชัดเจนท่านถึงบอกให้เชื่อก็ต้องพยายามอันนี้ส่งผลบุญผลทานเราพยายามมันสร้างมันทําให้มีให้เกิดขึ้นปรับระบบระเบียบใจของเราให้เป็นคนที่มีความเป็นระเบียบมีความขยันมันเพียรละความเกียจคร้านสร้างความขยันมัน เพียรให้มีให้เกิดขึ้นให้เป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้รับรู้ผู้ตื่นตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละท่านถึงบอ่อตนบิดพึ่งหงตน้นตนตัวแรกคือสติที่เราสร้างขึ้นมาเข้าไปแยกแยะเห็นเหตุเห็ น, ห น, ห น, หนผลที่เหตุที่ทผลจนใจอยู่ในความสงบใจอยู่ในความสะอาดสติจะเป็นพี่เลี้ยงใจทําความเข้าใจจนใจมองเห็นความเป็นจริงจนใจไม่เอาอะไรสักอย่าง ใจปล่อยวางรับรู้ตามความเป็นจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่าง สติปัญญาของเราก็อบรมใจของเราอยู่ไปบ่อยอบรมใจของเราอยู่ตลอดอยู่เนืเนื่องสักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันก็ต้องพยายามกันนะพยายามกัน ล, ลุกขึ้นใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวให้คนโน้นเขาสอนคนนี้เขาสอนเราจงเจริญสติเขาไปอบรมหมัน่นพร่ำสอนตัวเราบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นครูบาอาจารย์ตาําราเขาเป็นแค่เพียงแผนที่ชี้แนวทางให้ ถ้าเราไม่เอาไปทำไปสร้างให้มีให้เกิดขึ้นก็อยากที่จะเข้าใจก็ต้องพยายามมาแล้ววันนี้เขาเจริญทําเมอตอนนี้ปากันไวพปะพร้พอมๆกันปากันไปสร้างสารโตทำความเข้าใจให้รู้ทุกเหตุบท